อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็ออกอากาศจากกรุงเทพมหานครนะคะด้วยเรียกว่าความถี่2ความถี่ด้วยกันในระบบ FM ฟ็มก็เก้าสิสมโคเฮิร์ส์ส่วน AM นั้นก็8 9 1ร้อกิโลเฮิร์สต์ค่ะตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึง่งและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราในเครือข่ายส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่นะคะก็จะรับ สัญญาณออกอากาศของเราด้วยก็เป็นการนํำธรรมะดีๆสิ่งที่เป็นมงคลมาเป็นการเปิดสถานีของเราเป็นประจําทุกเช้าค่ะและเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์กลางเดือนธันวาคมแล้วนะคะเสาร์ที่17ธันวาคม2554ค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ําเดือนอ้ายนะคะหรือเดือนหนึ่งปีมะโรงแล้วลวะคะ่ะตามปฏิทินก็บอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนปีไปแล้วนะคะ วันนี้เราพบกันก็นาท่านผู้ฟังทางบ้านมาสากชาหรือว่าสนทนาธรรมะในประเด็นที่คิดว่าคงจะได้ให้แง่คิดความเห็นดีๆเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนากับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนโรพระอาจารย์ของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์และเป็นสิทธิเอกของประเด็นพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภโสหรือท่านพระคุณสิทธิประภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตังหวัดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมาราบารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้กราบนิ ม, มนต์ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ไพภูพณีอภิภูนุท่านได้มาสนทนาธรรมในหัวข้อที่แตกต่างกันไปให้ความรู้ที่เกี่ยวกับาศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธวจนะอะไรต่างๆน่าสนใจทุกเช้าเลยนะคะค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาสากการกันขอนำท่านผู้ฟังมากราบนามัสการพระอาจาร ย, ย์ไพบุญอภิปุโนโพร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนามัสการเจ้าค้าพระอาจารย์เจ้าคขาเชิญฟอนสาธุเจ้าข้าสำหรับในเช้าวันเสาร์กลางเดือนธันวาคมนี้นะเจ้าข้าโ ย, ย, ยมอยากจะขอหยิบยกเรื่องหนึ่งที่ว่ากําลังเป็นที่เหมือนกับ มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะเจ้าคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องพ้ทิดสักนิดหนึ่งแต่โยมเชื่อมั่นว่าอย่างไรก็ตามพระอาจารย์ก็จะสามารถนําเรื่องของศาสนาเนี่ยมาไขาความกระจ่างให้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้เป็นอย่างดีนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์อพอดาออกไหมเจา้าค่ะว่าโยมอยากจะพูดเรื่องอะไรในบ้านเมืองตอนนี้มันก็มีหลายเรื่องนะตั้งแต่<ะ>เรื่องน้ำท่วมที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องอื่นๆไปเยอะแยะไปหมดเจ้าคะ่ะก็คงมีประเด็นที่คุณเตนใจจะต้องพูดได้เลย เจ้าค่ะแต่โยมจะขอกราบอนุขออนุญาตนะเจ้าค่ะว่าวันนี้โยมจะพูดถึงเรื่องของมาตราหนึ่ง้อยสิบสองเจ้าค่ะฟังยิงๆเจ้าอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฮอตทิสสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นฮอตอิชชูในขณะนี้นะเจ้าค่ะก็มาตราหนึ่ง้อยสิบสองนี้ท่านผู้ฟังอที่เป็นประสบนิกรชาวไทยหรือว่าชาวไทยเราทั่วประเทศเนี่ยทราบกันดีค่ะว่าเป็นเรื่องมาตราที่เกี่ยวกับการที่ หมิ่นพระบรมเด ช, ชานุภาพนะคะอันนี้โยมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนพระอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้ว่าก็จะเห็นว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องมาตรา112ของไทยเราเนี่ยมากทีเดียวมแม้แต่ในสื่อต่างประเทศนะเจ้าคะซึ่งโยมคิดว่าเมื่อโยมได้อ่านข้อเขียนก็ตามคอรำมนิสของสื่อต่างๆทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่เขาเข้ามาวิจารณ์ เกี่ยวกับเรื่องมาตรา112แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของประชาธิปไตยนะเจ้าคะว่า<ๆ>ทุกคนมีสิทธิที่เสรีภาพที่จะวิจารณ์อะไรก็ได้ทําไมต้องมาปิดกัน้นสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยเจ<ๆ>้าคะที<ๆ>ะนี้พอโยมอ่านแล้วเนี่ย<ๆ>เนื่องจากเราเป็นคนไทยมีเลือดไทยนะเจ้าคะ<ๆ>โยมก็คิดว่าโยมคิดว่านะเจ้าคะว่าการที่ผู้คนเหล่านั้นหรือนักข่าวเหล่านั้นซึ่งเป็นนักข่าวทางตะวันตกนะเจ้าคะ<ๆ>มาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แล้วก็มาเรียกร้องให้เรายกเลิกมาตรานี้ โ oh. ยมคิดว่าเป็นการมองในแง่ของเขาเจ้าค่ะ uh huh. คือเป็นเรียกว่าเป็น uh, perception หรือว่าเป็นความคิดแนวความคิดทัศนคติ a t t i t จ d e ต่างๆของ uh huh. เขา uh huh. ที่เขามองนะเจ้าค่ะในภาคตะวันตกที่เขาเป็นอย่างนั้น uh huh. แต่มเชื่อมั่นและโยมคิดว่าในประเด็นนี้ที่เข้าข้ามาวิจารณ์เนี่ย uh huh. เขาไม่รู้จักประเทศไทยเราเจ้าค่ะซึ่งเราก็มีขนรรมทำเนียนประเพณีแล้วก็มีวัฒนธรรมของเราเองนะเจ้าคะที่ uh huh. เป็นลักษณะของไทยแท้ uh huh. ดังนั้นเนี่ย พระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยโยมเชื่อมั่นว่าหลายคนได้อ่านคําวิจารณ์ต่างๆเหล่านั้นคงมีความรู้สึกเหมือนโยมว่าการที่เข้ามามาวิพากษ์วิจารณ์แล้วมาเรีคอร์ดให้เรายกเลิกนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ก้าวไก่และทําไม่ถูกเพราะเขามไม่รู้จักประเพณีของเรานะเจ้าคะเรื่องนี้พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเจ้าคะขอกราบน้ำมศการได้นิ ม, มนต์ได้ได้ไดสาขะนะ <สา S 1> ค, ค่ะคือคือตรงนี้ที่ประเด็นที่คุณเตือนใจพูดมาเนี่ย ก็พอจะดูข่าวอยู่บ้าง <Okay. S 2> ก็พอจะทราบเรื่องราวอยู่บ้างนิดนิดหน่อยๆทีนี้ในมุมมองคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายได้ทุกเรื่องในโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยจะสามารถอธิบายได้ทุกเรื่องถ้าในเรื่องของมาตราร้อเนี่ยเรา ม, ามองกันมุมนี้ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงสา ม, มาวาจาใช่ไหมเรื่องการที่ไม่โกหกในนี้ไม่โกหกก็เรื่องหนึ่งละ ประการหนึ่งก็คือการที่ไม่พูดยุยงให้แตกกันแล้วก็การที่ไม่พูดคำหยาบแล้วก็การที่ไม่พูดเพ้อเจอสี่อย่างนี้เป็นสามาวาจานะนี้เป็นลักษณะของคนดีก็จะทํากันคนดีเนี่ยเขาไม่พูดด่าคนอื่นนะเขจะไม่พูดยุยงให้แตกกันทีนี้ว่าถ้าเราพูดโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงข้อมูลไม่ถูกต้องคุณก็พูดเพ้อเจ้ออีกน ะ, กะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับ คำสอนของพรุทธเจ้าจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะกับพระหากระสัเท่านั้นนะจริงๆควรจะต้องมีกับคนทุกคนสมมุติว่าคือไม่จําเป็นต้องเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแหละที่คุณต้องพูดดูหมิ่นท่านไม่ได้ใช่ไหมคุณไม่ควรดูหมิ่นแม้กระทั่งภรรยาตัวเองที่บ้านหรือว่าสามีตัวเองที่บ้านลูกคนร่วมงานเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองหรือว่าใครๆก็าตามที่อยู่เป็นประชาชนคนธรรมดาเราก็ไม่ควรดูหมิ่นเขาอยู่แล้ว อ, อันนี้เป็นเรื่องของสัมมาวาจาอยู่แล้ว ซึ่งคิดว่าอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือหมายความว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นเส้นทางอยู่ในเป็นกรอบของการดําเนินงานนะนะอันนี้อันนี้กรอบที่1นึ่งประเด็ น, นที่2ที่ได้เห็นเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่าการสอบสวนกับบทลงโทษเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันอย่างสมมติถ้าอาตมาจะบอกว่าเอาทั้งนี้ทุกคนฆ่ากันได้อย่างไม่มีปัญหานะกฎหมายเรื่องการฆ่าคนอื่นเนี่ยยกเลิกให้หมด นะไม่ต้องมีการลงโทษใดๆแล้วนะเราก็ฆ่ากันตามสบายคุณจะเอาเหรอประเทศจะเป็นยังไงนะถ้าไม่มีบ้าเร<บ>ิงก็วุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายแน่นอนเหมือนกันแต่ว่าประเด็นเราจับคนผิดเนี่ยมันคนละเรื่องกันไงสมมุติว่าอามาไปฆ่าคนใช่ไหมปรากฏโยนแพใะนหนแแพให้อีกคนหนึ่งถ้าเราไปฆ่าคนแล้วเราโยนแพะให้อีกคนหนึ่งเนี่ยตำรวจเขามาจับคนผิดไปจับคนนั้นนะแล้วคนอื่นจะมาประท้วงบอกว่าโอ้ยกฎหมายนี่ไม่ถูกต้องแล้วทำไมจับคนนี้ต้องถูกลงโทษ ถ้าคนที่ต้องถูกลงโทษขนาดนี้คนนี้เขาไม่แน่จะทําแล้วก็คุณจับแพะใช่ไหม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการสอบสวนนะประเด็นหนึ่งการบทลงโทษประเด็นหนึ่งมันคนละเรื่องกันถ้าคุณสอบสวนไม่ดีแล้วคุณจะไปโทษบทลงโทษว่าหนักเกินไปอันนี้พูดไม่ได้เลยมันคนละปร ะ, <Okay. S 1> ประเด็นกันเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องทํางานให้ดีอย่าไปจับแพะใช่ไหมจับคนที่ถูกนะบทลงโทษมันก็มีไปตามสังคมก็ เ, เห็นว่าถูกเขาก็ทําแบบงเขา ใช่ไหมอย่างในกรณีของรัฐธรรมนูญนปี50ก็มันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเราก็ใช้กันไปใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็เป็นฉบับที่ได้มีการที่เรียกว่าทำประชามตินะเจ้าคะคือขอความเห็นทั่วประเทศเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการทําแบบนี้นะเจ้าคะแล้วประการถัดมาก็คือว่ามีครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทเจ้าได้เล่าไว้ให้ฟังว่ามีพระเจ้าสัจธรรมองค์หนึ่งอนะ ที่เขาครองความเป็นใหญ่ยิ่งในชมพูทุพพิทั้งหมดเนี่ยเขาก็ให้แนวนโยบายในการบริหารประเทศในแต่ละกษัตริย์คือกษัตริย์เนี่ยจะปกครองเฉพาะประเทศของตัวเองในแต่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะใหญ่ขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกจะดูแลทั่วโลกแนวนโยบายของพระเจ้าจักรพรรดินี่คือศี่หานะอย่าฆ่าสับอย่าลักทรัพย์อย่าทุพพิดในการอย่ากล่าวเทศอย่าดื่มสุราเมรัยนะห้าอย่างนี้ทีนี้ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต้องไปออกกฎหมายลูกของเขา ที่มาสอดคล้องกับเขาเรียกว่าแนวนโยบายตรงนี้ก็คือสี่ห้าตรงนี้นะซึ่งเราก็ต้องดูว่าถ้ามันสอดคล้องกับเรื่องของสัมมาวาจารเราก็ทําได้ไม่มีปัญหานะแล้วก็ไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยคือการสอบสวนนะคุณหาข้อมูลถูกไหมคุณไปสอบสวนตัวคนถูกไหมคุณหาหลักฐานชัดเจนไหมคุณจะตรวจสอบได้ไงเทคโนโลยีมีอย่างไรอันนี้เราต้องไปเรื่องของพนักงานสอบสวนละเจค่นะก็เรียกว่าต้องขึ้นกับ ความยุติธรรมสามัญสำนึกนะเจ้าคะ่ะแล้วก็การจนหนักในหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องสอบสวนเอาคนที่ทำผิดจริงๆริมารับโทษหรือว่ามาได้มีการให้ส่งให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยตัดสินตามระบอบของเราถูกไหมเจ้าคะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่พนักงานสอบสวนนะคุณเฉนใจมันไม่ใช่มาอยู่ที่ศาลศนะาลเขาต้องตัดสินตามเหตุตามผลที่ชงมา ทีนี้ถ้าเหตุผลมันชงมาผิดเหตุมันชงมาผิดจะให้ผลมันผิดเพี้ยนไปได้ยังไงสารต้องปฏิบัติตามเหตุผลที่เขาชงมาถูกไหมเพราะเหตุชงมาผิดคือหมายความว่าคุณใส่เหตุไม่ถูกต้องคุณสารข้อมูลไม่ถูกต้องมันก็ผิดมาได้แต่ตรงนั้นแล้วอะ่ะแล้วเราจะมาโทษว่าบทลงโทษแรงเกินไปมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันเลยต้องไปดู ท, ที่การสอบสวนยุติธรรมตรงนั้นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องเริ่มมาตั้งแต่พนักงานสอบสวน เจ้าค่ะก็เรียกว่าในสำหรับคารวาสเรานะเจ้าคะหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยในกฎหมายก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องในกรณีที่เข้ามาพูดว่ากล่าวเราแล้วก็ไม่ได้ใช้สัมมาวจากับเราตามที่พระพุทธองค์ได้ส่งสั่งสอนไว้นะเจ้าคะมีเรื่องของการฟ้องมินประมาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีมีโทษอยู่นะเจ้าคะทีนี้โยมอยากจะกราบ ข อ, อความเมตตาพระอาจารย์ไทบุลอภิปุโนเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการสอบสวนดังนั้นโยมอยากจะกราบขอนิโมนให้พระอาจารย์ได้กรุณาหยิบยกพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพุทธวจนะนะเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็ใ <c oughs> ห้แง่ายคิดกับผู้ที่ทําหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนทุกท่าน เช้าวันนี้พระอาจารย์จะให้ธรรมะอะไรดีเจ้าคะเผื่อว่าจะกระตุกจิตสํานึกนีเจ้าคะอันนี้โยมพูดไม่ได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนทุกท่านเนี่ยเป็นแบบนี้นะเจ้าคะแต่อาจจะมีบางคนไม่อย่างนั้นเนี่ยทางไทยพีบเอก็คงไม่มีรายการคุยกับแพทย์นะเจ้าคะนีมนจคะค่ะ<อ>ก็คือพูดถึงพนักงานสอบสวนคือเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะแล้วก็เราต้องรู้ว่าเราจะใช้การใครนะอย่างคนที่เป็น มหาคนที่เป็นเขาเรียกว่าเสนาบดีที่จะคอยดูแลบ้านเมืองเนี่ยเขาจะต้องมีคุณธรรมข้อหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญมากๆเลยคือคุณต้องรู้จักเลือกคนทํางานให้ถูกต้อง <Okay. S 1> นะต้องรู้จักว่าเลือกคนนี้ตั้งตั้งคนนี้คนนี้ปลดออกนะคนนี้ใช้ทํางานคนนี้ไม่ใช้ นะเราต้องรู้งานที่เหมาะกับคนเราถึงจะทํางานได้ออกมาอย่างดีบ้านเมืองจะไม่มีปัญหาอันนี้แสดงให้เห็นว่างานกับคนเนี่ยไม่ไม่เหมาะกันไม่สมกันทําให้การสืบสวนได้ไม่ดีแเพดันะนั้นตั้งแต่หัวหน้าลงไปยันลูกน้องอ่ะคุณจะต้องทํางานตรงนี้ให้อย่างดีที่สุดนะอย่าลําเอียงเพราะรักอย่าลําเอียงเพราะโกรธอย่าลำเอียงเพราะกลัวอย่าลําเอียงเพราะหลงนะแต่ให้ดูตามข้อมูลดูตาม ความเท็จิข้อเท็จจริงที่เราพอจะสืบสวนหาข้อเท็จจริงได้อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผื่ อ, อพนักงานสอบสวนท่านใดนะเจ้าค่ะเป็นเป็นเพียงบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะดําเนินการไปแล้วในเรื่องของการที่อาจจะสอบสวนไม่ได้ตรงตามประเดนานา็นนักอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะเจ้าค่ะมมยมอยากขอ อ, อนุญาตที่จะกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโน่เจ้าค่ะว่า ถ้าเผื่อเชื่อมโยงกับทางาศาสนาเรานะเจ้าคะาศาสนาพุทธเราก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติไม่ดีต่อผู้อื่นนั้นเนี่ย ไม่ได้เป็นไปตามที่พุทธวจนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาที่จะตั้งไว้เป็นหลักเกณฑ์ให้กับเราได้ปฏิบัติตามแล้วนเนี่ยมันก็มักจะมีเรื่องของบาปกรรมแล้วก็การตอบสนองที่ออที่มาทีหลังนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาสักกะฉาประเด็นนิดนิดหนึน่งได้ไหมเจ้าค่ะกรับเป็นคนเจ้าค่ะได้กคือก่อนที่จะไปถึงประเด็นตรงนี้เราอย่างดูอย่างคนธรรมดาก็ได้นะอย่างที่คุณเตือนใจพูดถึงกฎหมายหมิ่นประมาทใช่ไหมสมมติถ้ามีคนอยู่ๆก็ขึ้นบาะเป็นบางทีแล้วก็ด่าคุณเตือนใจ ไม่ได้ด่าคุณเตือนใจอย่างเดียวยังดา่านุ่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั้งหมดเลย <Okay. S 2> ด่าฉันว่าเป็นอย่างนั้นก็ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วคุณขึ้นเวทีดา่าคนที่เขาเอาข้อมูลไม่จริงมาพูดเนี่ยนะคนนั้นเขาก็ต้องถูกสมควรลงโทษ ด, ด้วยกฎหมายบ้านเมือง <Okay. S 2> นะอันนี้เป็นประเด็นที่คิดว่าจะต้องอให้ให้เห็นข้อหนึ่งคือไม่ใช่เฉพาะในหลวงละ่ะคือทุกคนควรจะต้องได้รับการปกป้องตรงนี้แล้วเ <Okay. S 2> สรีภาพในการพูดอยู่ที่ไหนเสรีภาพในการพูดอยู่ที่ไหน เสรภาพในการพูดอยู่ที่สัมมาวาจานะอยู่ที่สัมมาวาจาคือ1นนะึเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่พูดโกหกคือบางทีเราได้ข้อมูลไม่ถูกต้องเราจะทํำยังไงนะเราก็ต้องมาดูข้อที่2ว่าเอางั้นเราไม่พูดส่อเสียดไม่พูดที่จะให้คนอื่นมาฟังข้อมูลนี้แล้วเขาจะไปเกลียดคนนั้นอย่างสมมุติว่าคนที่เขาฟังข้อมูลมีคนขึ้นเวทีดา่าคุณเตือนใจใช่ไหมคนที่ได้ฟังเนี่ยเขาจะเกลียดคุณเตือนใจนะซึ่งคน ที่พูดบนเวทีเนะี่ยไม่ควรทําอย่างนั้นเพราะว่าขอบเขตของคุณต้องอยู่ในสัมมาวาจาสมมติคุณคิดว่าข้อมูลของคุณมาถูกต้องคุณก็จะไปผิดข้อที่2คือข้อของอาวาจาที่พูดไม่ให้ยุโยงให้แตกกันนะพูดสิ่งที่มันจะสมัครสมานสามัคคีกันอย่างนี้ถึงจะถูกแล้ว <Okay. S 1> นะแล้วก็ประเด็นที่3คือไม่พูดเพอร์เจอร์แะเพอร์เชอร์นี้คือหมายความว่าไม่มีหลักฐานข้อมูลที่อ้างอิงนะไม่มีเวลา ไม่ถูกเวลาไม่มีเริ่มต้นจบไ ม, ไม่สมควรเกี่ยเวลาอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งในะเรื่องที่จะมาดาคนอื่นเนี่ยเขาต้องไปพูดกันในลักษณะว่าหาความหาข้อมูลที่จริงก่อนที่จะมาประกาศสาวๆอยู่อย่างหน้าเวทีอย่างนี้นี่ก็ไม่ถูกละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพูดคําหยาบถ้อยคําที่มันไม่รื่นหูเป็นถ้อยคําที่ชาวเมืองเขาไม่พูดกันอันนี้คุณไม่ควรพูดสิทธิของคุณต้องอยู่ที่นี่ สัมมาวาจะจบเลยถ้าคุณเกินกว่านี้คุณจะเป็นยังไงถ้ากฎหมายบ้านเมืองเขามีการลงโทษ ก, ก็ก็จะเป็นการดีะน ะ, ะเพราะมันจะได้เห็นเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้ากฎหมายบ้านเมืองไม่ลงโทษก็จะมาประเด็นที่คุณเตือนใจถามตรงนี้ว่าแล้วในเรื่องของของคำสอนพระเจ้าจะเป็นยังไงอันนี้จะมีสิ่งที่เขาลงโทษอยู่แล้วคือเรื่องของกรรมผลของการกระทําผลของกรรมถ้าคุณทําสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลแม้อตาตมาดีสบายใจสบายใจ แต่ถ้าเห็นคนทําชั่วเนี่ยนะแล้วเขาไม่ได้รับการลงโทษนะทำไมไม่มีปัญหาเลยคุณเดินใจเพราะว่าอะไระเพราะว่าเดี๋ยวกรรมมันจะลงโทษเขาเองอท <ำ S 2> อําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงแร้วว่าเขาจะไม่โดนเขาต้องโดนแน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาของเขาอนะ่ะเขาอาจจะดอลงอาญาอยู่ตอนนี้ยังยิ้มได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่กรรมให้ผลนะโอ้คุณเอ้ยไม่ไม่อยากจะนึกว่าเขาจะต้องโดนอะไรบ้างอืมเจ้าค่ะ เราไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดถึงโลกนี้นะคุณเตือนใจเราพูดถึงการจองจําอยู่ในนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยใครที่พูดดา่าคนอื่นมากๆเนี่ยนะทำอยู่เป็นประจําทําอยู่เป็นอาจินทําอยู่เป็นนิษฐเนี่ยรับรองนะคุณก็จะไปสู่นรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเป็นที่ที่ไม่ควรไปมากๆไม่ควรไปมากๆเจ้าค่ะจำได้ว่าพระอาจารย์ไพบูลเคยสากกษาหรือว่าสนทนาธรรมะมาว่าสําหรับที่นรก ที่พระอาจารย์ได้กล่าวนะเจ้าค่ะที่เปรตวิสัยเนี่ยเจ้าค่ะโยมโยมยังจำได้ไม่หมดเนี่ยเจ้าค่ะเป็นเป็นภพภูมิที่เรียกว่าไม่ไม่ควรไปอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครทําบุญให้ก็ไม่ถึงใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยชั่วกับชั่วกันโอ้โหนานมากเอาเอาง่ายๆคือถ้าพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยกับคนสมัยใหม่ก็าอาจจะไม่เชื่อแต่ตัวตมาเองก็เมื่อก่อนก็ไม่เชื่อนะเรามาพิจารณาดูเอานรกสวรรค์ที่เห็นได้ในปัจจุบันอ่าอย่างเช่นว่าสวรรค์เอาสวรรค์ก่อนนะสวรค์ นี่คือเป็นยังไงคือมีความสุขนะมีความสุขเนี่ยเขามีความสุขอย่างไม่มีระหว่างคุณตือนใจก็จะไหมความสุขอย่างไม่มีความทุกข์ระหว่างอย่างเช่นมาตื่นเช้ามาเราอยู่บนโลกเนี่ยนะตื่นเช้ามาแหมวันนี้อากาศดีจังเลยอากาศเย็นสบายนะแล้วก็ตื่นเช้ามาแม่ก็ทําอาหารให้กินมีอาหารกินคนในบ้านก็พูดคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสขับรถออกไปทํางานรถก็ไม่ติด มีแต่คนยิ้มแย้มให้กันไฟเขียวผ่านสบายพอมาถึงที่ทํางานแล้วก็เจอเจ้านายเจอลูกนะ้องทุกคนก็พูดดีๆกันทํางานก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นประชุมปรึกษาอะไรต่างจนกลับมาบ้านก็มีข้าวกินทุกคนอยู่พร้อมหน้าสบายใจดูทีวีบ้างอะไรบ้างนอนทั้งวันเนี่ยมีแต่ความสุขทั้งวันเลยนะคุณแตใจนะอันนี้ก็สวรรค์เลยใช่ไหมคะทีนี้ว่าสวรรค์อยู่บนโลกเนี่ยมันยังมีความทุกข์ระหว่างอย่างเช่นตอนเที่ยงเดี๋ยวคุณหิวข้าวนี่ความทุกข์นิดหนึ่งมาแทรกนะ หรือว่า ค, คุณประชุมอยู่อุย้ยปวดห้องน้ําปวดเบาหรือปวดหนักรีบไปห้องน้ําก่อนอันนี้ความทุกข์มาแทรกนะเข้าใจไหม อ, อันนี้คื อ, อช่วงที่มีความสุขแต่มีความทุกข์มาแทรกเข้าใจไหมแต่บนสวรรค์เนี่ยไม่มีเลยไม่มีความทุกข์มาแทรกสุขขาบนสวรรค์ไม่มีบนสวรรค์ไม่มีห้องน้ำเข้าใจไหมเวลากินข้าวคุณไม่ต้องไปไปย่อยออกมาแล้วก็อือออกมาเวลานึกคุณไม่ต้องไปเดินไปซื้อข้าวไม่ต้องไปเสียเวลาเคี้ยวมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ระหว่าง นี่คือสวรรค์ น, นี่เราพอจะเปรียบเทียบได้นะเราให้คนที่สุขบนโลกมากมากเท่าไหร่เนี่ยกุญ้ก็ไปห้องน้ำนะทีนี้พอมาพูดถึงความทุกข์ความทุกข์ในนรกอย่างเงี้ยนรกอย่างอเวจีมหานรกเนี่ยก็แปลว่าความทุกข์ไม่มีสุขระหว่างเลยอย่างเช่นว่าเอาบนโลกธรรมดาตื่นเช้ามาปุ๊บเมื่อคืนก็นอนไม่สบายเตียงก็แข็งโอ๊ย ตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยเหนื่อยเสร็จแล้วขึ้นมาคนนอนข้างเตียงก็ยังหน้าบึ้งใสอีกเสร็จแล้วก็แม่ก็ดา่าข้าวก็ไม่มีกินขับรถออกมาก็โดนปาดหน้ารถชนอีกโทรเรียกประกันประกันก็ไม่มาไม่ยอมจ่ายไปถึงที่ทํางานเจาน้านายก็ด่างานก็ไม่เดินประชุมก็ไม่ได้เรื่องเสร็จแล้วก็ซื้อข้าวก็ไม่มีกินโอ้ยกลับมาถึงบ้านยังโดนแม่ด่าอีกเข้าน อ, นอนเตียงก็เน่าเน่าเละเละมันไม่มีความสบายเลยมีแต่ความทุกข์ทั้งวันนะนี่คือกรณีนี้ทีนี้ ตอนที่มีความทุกข์ทั้งวันเนี่ยคุณยังมีสุขบ้าง น, นิดนิดหน่อยๆ่อยแทรกนะอย่างเช่นว่าเวลาคุณปวดห้องน้ำใช่ไหมคุณไปห้องน้ำํำพอปล่อยออกมาเสร็จปุ๊บมันยังมีความสุขนิดหนึน่งนั่นนะนะยังมีสบายตัวขึ้นนะสบายนิดหน่อยแค่นั้นเองนะหรือว่าหิวข้าวอย่างเงี้ยกินข้าวเข้าไปคําแรกเออรสชาติอาหารอร่อยแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองที่ยังมีความสุขนิดนิดหน่อยหน่อยจากความทุกข์ทั้งวันที่คุณจะเจอ หรือว่าเราพูดถึงเด็กแอฟริกาก็ได้ที่เขาหิวข้าวเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเขากินข้าวแค่2มือเป็นต้นนะแล้วแต่และ ว, วันเนี่ยเขาออกไปหาอาหารกุ้ยเซจขยะไม่มีอะไรกินเลยทั้งวันนั้นทั้งวันเนี่ยหาอะไรก็ไม่ได้กลับมาบ้านให้แม่ให้ไปขอทานขอทานไม่ได้ถูกแม่ตีอีกน้องนุ่งก็ต้องมาคอยเลี้ยงตักน้ําก็ไปตักแต่ว่าก็ยังมีความสุขนิดๆหน่อยๆได้จากการที่ไปห้องน้ําเป็นต้นเจ้าค่ะแต่นรกเอเวจีมหานรกเนี่ยเป็นความทุกข์ ที่ไม่มีความสุขระหว่างนั้นเลยทุกตลอดเวลาไม่มีสุขระหว่างเลยเจ้าค่ะมันใจคิดดูมันมัน ม, นมนหาโหด<ฮ>ขนาดไหนใช่เจ้าค่ะยิ่งกว่าโรงงานรกเจ้าค่ะอเจ้าค่ะเพราะฉะนั้ น, น, นก็ต้องเจ้าค่ะอ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นคนทําชั่วเนี่ยนะแม่เราก็สบายใจนิดนึงว่ามันใครทําใครก็รับไปอ่ะดูอย่างตอนที่มีมีคนมาด่าพระพระเจ้านางชินจักมานวิกาอย่างเงี้ยโอ้โหกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริง ะะว่าพระพุทธเจ้ามาทําให้ตัวเองท้องให้รับผิดชอบลูกที่อยู่ในท้องและในท้องนี้ทำยังไงเอาไม้ไม้ไผ่มาลัดทําให้ท้องตรงๆนิดหนึ่งใช่ไหมคือคนี่เป็นมิจฉาวาจาแน่ๆล่ะแล้วในที่นั้นเนี่ยก็มีเหล่ามา้าเอามา ร, ราชาขรั่งบดีเสนาบเรียงต่า ง, างประชุมกันอยู่พร้อมหน้าพร้ำตาเลยนะเขาก็มีคนมากล่าวตู่ขนาดนั้นเนี่ยทุกคนพระพุทธเจ้าก็บอกให้เหล่าคนเหล่านั้นนิ่งอยู่ นะอย่าอย่าไปพิ่งอย่าพิ่งไปลงโทษนะสุดท้ายนันจึงจะมารวิกาเนี่ยก็ถูกกรรมของตัวเองเนี่ยลงโทษเองนั่นก็คือถูกธรณีสูบไปอืมเจ้าค่ะอนะ่ซึ่งมันก็เป็นเป็นผลของกรรมนะทีนี้เราเนี่ยแหละเรานี่นี่ต้องดูจิตตัวเราเองนะเวลาที่เขาทําไม่ดีเนี่ยแล้วเขายังไม่ได้รับผลของกรรมเนี่ยแล้วถ้าเราไปช่วยซ้ําเติมเขาอย่างเช่นว่าอ่าคนเขาทําไม่ดีนะเราไปด่าเขาซ้ำเติมอย่างเงี้ย แกมันช่วยอย่างนี้แกมันเร็วอย่างนี้เราเนี่ยก็เป็นคนชั่วเหมือนเขาแล้วอืมเจ้าค่ะอ่าเราไปแบ่งบาปเขามาแล้วเนี่ยก็จะไหมพวกผสมโรงทั้งหลายนะเจ้าค่ะอ่าใช่ผสมโรงนี่หมายความว่าคือเราไปช่วยด่าเขาเพราะว่าเขาทําไม่ดีใช่ไหมคุณไม่ควรทําคุณไม่ควรทําหรืออย่างในปัจจุบันนัเจ้าค่ะอ่าโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าการติดต่อกันทางอ่าสื่อผ่านทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเจ้าค่ะทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ่เนี่ยกำลังแพร่หลายแล้วก็ เป็นเรื่องที่กำลังนิยมกันอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าในกรณีนี้โยมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะว่าถ้าสมมุติว่าเราได้เมลอะไรก็ตามนะเจ้าคะซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ดีไม่งามแล้วเรายังจะไปฟอร์ a r d คือส่งต่อไปสิ่งคนอื่นๆเนี่ยช่วยเผยแพร่นี่เราก็เข้ามาตรงประเด็นนี้ที่พระอาจารย์ได้สักการะมาเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ทีนี้ส่งต่อนี่ก็คือส่งข้อความเขาต่อนี่ก็ส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองก็คือการที่เราไปด่าเขาเองด้วยนะ <จ pense S 1> คือหมายความว่าเราไปด่าว่ า, าเธอทําอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคือมันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปทําไปไปว่าเขาค่ะก็คือเหมือนกับอย่างมาตราเนี้ยคนเห็นด้วยก็มีคนไม่เห็นด้วยก็มีพอมันมีบทลงโทษมาใช่ไหมวพวกที่ไม่เห็นด้วยก็จะดา่านะตรงเนี้แหละคุณไม่ควรทําค่ะไม่ไม่ควรทำเพราะอะไรเพราะว่าเราจะไปแบ่งบาปเขามาสมมุติคนที่เขาทำไม่ดีเนี่ยเขาถูกลงโทษใช่ไหม S <S <S เขาถูกลงโทษเราก็ไปเยาะเย้ยสมน้ำหน้าเราไม่ควรทําเราจะไปแบ่งบาปก็ามาหรือว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยเราไปด่าทอมาตรานี้ด่าคนทำแบบนี้คุณก็แบ่งบาปก็ามาแล้วเจ้าค่ะอ่าเพราะนั้นเราควรจะทําไงเราก็ควรจะนิ่งเฉยอยู่แล้วถ้าทําอะไรเราก็ทําสัมมาวาจาของเราไปเจ้าค่ะเราก็จะไม่มีปัญหากับใครๆในโลกวาจาใดที่เขากล่าวกันอยู่ก็กล่าววาจานั้นโดยความไม่ยึดมั่นความหมายรายๆอยู่เจ้าค่ะสบายใจที่สุดในโลกละคนทําไม่ดี ถ้าคนเขาทำไม่ดีแล้วก็ยังรอยนวลอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นอย่างนี้นะเจาค่อตอนนี้รู้สึกคนจะใจร้อนขึ้นนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมอเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆบางคนก็บอกว่าแม่อยากให้กรรมมันติดจรวดจริงๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะเรคิดแค่นี้บาปไหมเจ้าค่ ะ, ะถ้าเราไม่ได้เป็นอกุศลแจิตนะนะห ม, มายความว่า คือเราไม่ได้ด่าเขามีจิตพยาบาทคือจิตพยาบาทกับจิตทีอ่อุเบกขาเนี่ยไม่เหมือนกันคือจิตพยาบาทเนี่ยคือเครียดแทนเขาแก่ต้องถูกลงโทษสักวันหนึ่งจำเอาไว้เนี่ยพูดอย่างนี้ะน ะ, ะกับคนที่เป็นอุเบกขาเนี่ยก็จะวางเฉยได้เราก็จะไม่พูดเรื่องนี้หรือเราก็จะพูดเรื่องอื่นหรือเราก็จะนิ่งเอาไว้ลักษณะนี้อุเบกขาเจ้าค่ะก็คือวางใจเป็นกลางเลยว่าเอาละ ถ้าเขาทําไม่ดีแบบนี้นะเจ้าคะเขาก็จะต้องได้รับผลตอบแทนแน่นอนไม่ช้าก็เร็วดังนั้นเราไม่ต้องไปผสมลงไปช่วยเชียร์หรือนึกสมน้ําหน้าหรือว่าอยากจะแช่งให้ได้รับเร็วๆถูกไหมเจ้าคะใช่เจ้ค่ะคืออันนี้มันเป็นความรักที่เกิดจากความเกลียดไงพระพเจ้าเคยบอกว่าสมมติมีมีสแบบความรักที่เกิดจากความเกลียดหรือความเกลียดที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดแล้วก็ความรักที่เกิดจากความเกลียดที่เกิดจากความรัก มีสี่งตนี้น่าสนใจเจ้ค่ะพระอาจารย์ช่วยกรุณาที่จะสักชาหรือว่าขยายความนิดเธอจะเจ้าคะอย่างในเรื่องของมาตรา112นะสมมติเราพอใจมาตรา112เรามีความรักในมาตรา112เนี่ยเกิดมีคนพูดไม่เห็นด้วยขึ้นมาเราจะมีความเกลียดที่เกิดจากความรักเกลียดไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ถ้ามีคนมาเห็นด้วยกับมาตรา112เราจะรักไอ้คนพวกนี้ขึ้นมาทันทีเราจะนี่คือความรักที่เกิดจากความรัก นี่คือสองประเภทแรกทีนี้ถ้าเราเกลียดมาตรา112เราเกลียดมาตรานี้มากเลยไม่ชอบเลยแล้วเกิดมีคนมาเชิดชูมาตรานี้เราจะมีความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดอืมเกลียดไอคนที่มาเชียมาตรานี้แล้วก cool oh, oh, hmm. ็ถ้ามีคนที่มาเห็นด้วยว่ามาตรานี้ไม่ดีเลิกก็จะมีความรักที่เกิดจากความเกลียดสี่ประเภทนี้พระพุทธาบอกคุณต้องรักให้หมดเลยสี่ประเภทนี้คุณมีไม่ได้ แล้วให้ทำ<ะ>จิตยังไงให้ทำจิตให้เป็นสมาธิคิดว่าในวันพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัตินะว่าจะทำจิตยังไงให้เป็นสมาธิยังไงคือคือไอ้สอย่างเนี้ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาคุณเตือนใจในสมมุติลูกน้องเราชั้นก็รักนะถ้าใครมาทำไม่ดีกับลูกน้องชันก็จะมีความปรีเกิดจากความรักขึ้นทันทีสิอย่างนี้<ะ>ไม่ควรมีไม่ควรทำไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะเ จ, จ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะซึ่งในรายละเอียดนั้นเนี่ยเราก็จะคุยกันต่อหรือสากัญชากันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้คือเช้าวันอาทิตย์ที่สิ ธันวาคมนะเจ้าค่ะเเล้วเวลาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไปบูญอภิปุโนแห่งวัดบ่าดอนไหายโศกได้ฝากแง่คิดสุดท้ายเจ้าค่ะถึงประเด็นที่เราสนทนากันในเช้าวันนี้เจ้าค่ะพระพทธเาตรัสอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระมหาโมคลานะตอนนั้นท่านพระมหาโมคลานะเนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์กำลังทําความเพียรอยู่ที่บ้านกรวามุตตาคามนั้นตรัสกับพระมหาโมคลานะอย่างนี้บอกว่าเธออย่าพึงกล่าววาจาที่ทําให้เกิดการทุ่มเถียงกัน ถ้ากล่าวถ้ามีวาจาที่ทําให้เกิดการทุ่มเถียงกันก็ต้องหวังการพูดมากเมื่อพูดมากจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านก็ไม่สํารวมเมื่อไม่สํารวมจิตก็เหินห่างจากสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิมารก็จะได้ช่องทำอะไรตามใจได้ในสวนผักของมารดังนี้เจ ค, ค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมะที่พระอาจารย์ไตรบุอภิปุนโนได้ ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันเสาร์นี้ได้รับไปคิดพิจรารณาแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่เราควรที่จะรับมาพิจรารณาแล้วก็ปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นพุทธว จ, จนะนะเจ้าคะ่ะถูกต้องค่าเจ้าคะ่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอกราบ น้ำมการลาและก็กราบน้ำสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนะลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โทภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะ <Okay. S 1> พรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในเวลาตีห้าเหมือนเดิมค่ะซึ่งพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนก็จะเมตตา ม, มาสากาักษาหรือสุนทรธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของที่จะต่อจากวันนี้ท่านผู้ใดสนใจ อห้าพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้เรามากราบน้มัสการอขอพระคุณและกราบน้มัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนพร้อมกันนะคะกราบน้มัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาจเจ้าข า, าสาธุเจ้าขา